พระธรรมเทศนาแผ่นที่59าลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่30ทธันวาคม2554มีเมีชื่อเรื่องว่าซื้อที่ดินเอาไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อกอน หลวงพ่อก็อไปพุนาไปงานวันเกิดของหลวงพ่อเมืองจังหวัดกาลสินวัดมัชชิมะวาดบ้านรงเมืองจังหวัดกาลสินหลวงพ่อเมืองที่เป็นนั่นแนหะเป็นมูเป็นเพื่อนเป็นสหธรรมิเกเวลาถอดผ้าปา่าเป็นงานถอดผ้าป่างานกรถิ่น งานหาท่องให้แก่หลวงตาเนะี่ยไม่น่ะหลวงพ่อเมืองนี่ยนะเขียงบาเขียงไรไปเห็นวัดเพลินแล้วโอ้ยไงว่ามันไงนะว่าพคนสั่งเบิง่งเบิ่งนะมีบุญนักซักไงยังช น, นะแล้วก็พ้องกันพคนสีสางเจดีกําลังถมทีอยู่สีสางเจดีไงสีแบบสิเห็นแบบนคร้อนผดผอมที่ส่งนคนปรปอมเพิ่นบาเพิ่นกระพ้าขึ้นไปเบิง่ง หมู่ว่านเนี่ยพ่อเลีวงานเนนพิ่งกะพระกะะลายเด้พระมาในงานเพิ่นพันพ่นออมเลยพั่นเขาโอมไปเลยม่งเปนน่อยทั้งพระไฟทั้งมหาในกายทั้งธรรมยุทธเต็หมหดหมู่ว่านเมื่อก้อนสวดมนต์แรงกูบายจานสวดมนต์แล้วก็ลงพอก็เป็นผูเป็นองค์แสดงธรรมเป็นองค์เทศหมื่ว่านกับถวายพระทหารใส่บาท แต่ก็โอ้งานคึกคื้นมีการจูดพงจูดผุข้นฟาดหลายร้อยลูกขึ้นกันเสียงสนั่นวันไหวหลวงพ่อเขาโอ้ขืดหอดพญานาคนำโขงของเข้าจูดผุปีใดจูดป่องไฟปีใดก็พ่อจโลเนี่พ่อสีสมสมนหน่อยนึงมันเท่พวกมนุษย์เห็นต้งเฮหายจนพ่อแห้งมแล้ว ขมันพญานาคจูดผูแบบลงพอไปเห็นเมื่อวานเนี่ยโอ้เซ็กซีว่าจังไหนเราต้มขึ้นท้องฟ้านี่เป็นดอกเป็นดวงสวยงามมนุษย์นี่พัฒนาพญานาคเนี่ยหลายปีมันก็บอพัฒนาอย่างที่คนไปแห่ อ, อ้อมยุฟังไม่นามขวงจุนวัดฟังไม่นามขวงสีพังพญานาคไอ้ยังบอพัฒน า, อ ย, า, อ, ฒนาอยู่บอพัฒนาบังไฟเจ้าของเราไป ก็คือมนุษย์มนุษย์เนี่บัตรพัฒนาเนีใส่ต่งขึ้นไปเป็นดอ ก, เ ป, ดกเป็นดวงเป็นหูป น, นหูนี่โอ้เป็นตะเบิงบอกเป็นภาษาบานเท้านะกบอกเป็นภาษากลางบอกมาไปแห้งนะบอกเป็นภาษาบานเท้ามีแต่ข้นไทยเฮ้าเมื่อนี้เป็นวันที่30สบธันวาคมพุทธศักราช2 5 5พัอีกบกกีมือเป็นวันปีใหม่ คณะชาติไทยญาติโยมลูกหลานแต่เมื่อนีคุนสุระเป็นตัวแท่นเตียแม่ของเพลนบริษัท u k เค u r เฟ t u r นิเจ6ากจำกัดพร้อมกับน้องชายครอบครัวของเพลนแล้วก็ทั้งคนในบริษัทแล้วก็ญาติธรรม ได้มาร่วมกันถอดผ่าปลาสามัคคีเมือนไงก็บอกกับหลวงพ่อไว้หลายวันนะ่ะละเป็นวันที่มาทอดผ่าปลาสามัคคีหลวงพ่อก็เออดีพอหลวงพ่อนี่ถ้าจะว่าไปก็มีความจําเป็นจะว่าหอดเงื่อนกับบ๊วยมาถึงขนาดตันหอกว่าก็มีความจําเป็นจะต้องได้ใช้จะตุบปัจจัยในช่วงนี้เพราะเหตุใดลูกหลานก็คงจะสงสัยพอหลวงพอ่อจะตกลง นายโยมโสโสที่จากนี่จากนี่ไปจากวัดหลวง พ, อพ่อนพนกบกมันเพนจิขายหรอ ก, อกเพนก็ว่ายกให้แต่ว่าเพนกับว่าเพินมีความจําเป็นจะต้องใส่ใส่ตุปปัจจัยแต่ผมก็จะยกให้ชุนแทนหลวงพ่อสิสมบัหน้าหรือว่านในจีห้ลักษณะชสั้นะบ้านในหลวงพ่อไปเบิ่งที่ดินก็เออจะเกิดประโยชน์ตอ่อพระพุทธศาสนาจะเกิดเกิดประโยชน์ตอ่อพี่น้องไปใชาชน แต่ของเพลินเพลินกัมีดที่ดินหลายเพลินกะจิกกยับไปอยู่แถวบ้านติ้วบ้านเพลินนะที่เราเลาะท่างะบอกนี้เพลินอยู่ป่าบมมีผู้มาอยู่ลูกสาวลูกชายมีแต่มีแตท่าราชการมัดบมมีผู้ใดมาอยู่หลวงพ่อไปเห็นก็เออบ่เดือดร้อนเพิินถึงเจ้าที่ดินไหวก็บ่เดือดร้อนเพลินเพลินก็พร้อมที่จะให้พอมที่จะโยกให้หลวงพ่อก็เลยเออเอาทั้งมดมัน 4ี่สิบแปดไรอลไรหลูกหลานนะมีบ้านพร้อมมีอย่างต้นไม้บริบูรณ์มีสะนา้ามีระบบนม้มหลวงพ่อวัดคันธวสีสางวัดหน่อยวัดหนึ่งึ้นมา้านเป็นวัดได้ๆๆเลยละ่ะที่ดินม่งนี่หลวงพ่อไปเบิ่งเออจะเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาก็ไม่รับไก็คือจะบนนักหนามั่งหลวงพ่อก็เลยรับอันับแปลกนี่เพิ่นว่าเพิ่นขอ ขอหาล้านหลวงพ่อก็ได้เนี่ยหาปัจจัยให้เพิ่นเนี่แหละหาล้านทีดสี่สิบแปดล่พร้อมกับบ้านกับสิ่งของแต่ออกพรรษาแล้วกระิ้นแล้วเพิ่มอีกสามล้านสรุปแล้วพนทีมองนี่8แปดล้านหลวงพอ่อรับวัสิจรษใจนี่แหละหาล้าน ออกพรรษากฐถินปีนานเนี่ยปีที่จะถึงนี่บอกกี่มืน่นก็คงจะหาให้เพิ่นอีกจากนั้นก็คงจะเป็นจมบัติของพระพุทธศาสนาต่อไปเดี๋ยวนี้ก็มีกูบาในวัดเท่าเนี่ยไปพักข้างคืนและสามองค์สี่องค์ย่ามโมเว่นมากกูบาไปเฝ้ า, ไ ป, าไปเบิงไปดูแลไปภ่วนาญพุ่นอ่ะอันนี้ก็คือจำเป็นสรุปแลวก็คือจะต้องได้ใส่จิตวิปั จ, จ แทนทุนหรือว่าสัมภ на คุณที่เพิ่นมอบให้เพิ่นกระบอกเลยนะบอว่าเพิ่นมีมีความจำเป็นหลอดเงินมีความจำเป็นที่ต้องได้ใช้เงินนเพิ่นนั้นผัวเข้าก็ควรจะมอบให้เพิ่นเพิ่นต้องการตอนนี้กัเบิ่งแล้วก็ บ, บางเข้ากับพาดออกตนญาติโยมไปหลายคน้นไปเบิง่งบอมเมนหลวงพ่อตัดสินใจผู้เดียวเด้พ้าญาติโยมไปหลายคน ไปเบื้งก็เออเหมาะสมที่จะเอ า, เอ า, ด, เอาดินแปลงนี่ไหวเอาไว้แล้วก็บอกเมนสมบัติของหลวงพอ่อเด้บ๊อบเมนของหลวงพ่อเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาให้ใหเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อไปผ่าภาคหนาเป็นวัดเป็นว่าต่อไปผ่าภาคนาก็จะได้เกิดประโยชน์ เ, เพราะนั้นหลวงพ่อจึงเลยเอาไว้เป็นสมบัติ กลางเพราะนั้นผู้ใดก็ตามยังมือนะี่คุณสุระฤคณะบริษัทพ้อมหลูกหล้านญาติถร่มำทั้งหลายที่มารวมถวายที่ตุปัจจัยเป็นผาปามือนีหลวงพ่อก็เจนีนน้ำเขามาในกองทุนซื้อที่ดินแปลงนีล่ะไอ้ซื้อที่ดินแปลงเนี่ที่ว่าแปดล้านนะร่วมทั้งปีนี้ปีหน้ากระจะร่วมเขามาเป็นกองทุนซื้อที่ดิน ก็บว่ากันมากหน่อยนะหมากหน่อยบอว่ากันตามชัท่าของพวกเฮ้าที่มีเท่าไรก็เทอนั้นละ่ะแต่หลวงพ่อก็เคยว่าได้ละ่ะขั้นผู้ได้ถวายหน่อยก็ได้ยืนขั้นผู้ได้เด็ดถวายไรก็ได้นั่งขั้นถูกผู้ได้ถวายไร ก, านานก็ได้นอนขั้นถวายไรเ ล, ย, ลยก็ได้สร้างได้สร้างตึกล้านบ้านช่องขึ้นมาแล้วเป็นไรเป็นหมดละเครื่งไรก็เป็น ที่ผักผ้าใส่เป็นบ้านเป็นเฮือนนี่แหละอันนี้ก็คือการทําบุญไหวในพระพุทธศาสนาลงตาเพิ่งเคยเเ้าได้เป็นมาผู้ใดก็ตามที่ทําบุญเกี่ยวกับที่ดินต่อไปพ้าผักนาที่เป็นหนทางแห่งใการที่จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือว่าจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ข้องแผ่นดินผู้ที่นักในการทําบุญทําท่านเกี่ยวกับที่ดินถวายไห้ในพระพุทธศาสนานี่แหละอันนี้ก็คือการถวายที่ดินมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างไหมถวายที่ดินมีมีตัวอย่างคือวัดป่าเฉดตะวันมหาวิหาร พระพุทธเจ้าจำพรรษามากที่สุดถึงสี่ยี่สหปีพระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่วัดป่าเชตะวันน่ยกรุงสาวัตถีนี่อนณาถาบิดิกชาเถียร์ไปค่าขายยุรุงราชจะคือไปเห็นพระพุทธเจ้ากับพร้อมกับพระสงฆ์ก็ได้ไปฟังถรำไปฟังถ้ำพระพุทธเจ้ายุคุงราชจะคือเกิดความเคารพรับถือเลื่อมใส เพลินจำเร็จเป็นพระโสดาบันอีกนอนาณาถาบิิาเศรษฐีเนี่ยเป็นไปสมัยก่อนเศรษฐีไปทํามาค้าขายเกวียนหาร่อยเลยมี่ยังกยงยงเมืองอุดรมียังมีเขาโพธมีมันํำปลังเอาไปขายเมืองขนแกนอังนั้นนะไปขายต่างางทินกระไรเงินเลยขนมาอันนี้พ้นไปเห็นนะพ่นไปพบพระพุทธเจ้า พระพุทธเจาเทศให้ฟังเพิ่นเกิดคว่ำขรรพบนับถือเดือมใสได้สําเร็จพระโสดาบันก็เลยกลาราบลาดทานาพระพุทธเจ้าขอพระพุทองค์ไปโปรดกุงสวับทีโดยเทินขาพระองค์จะสางวัดถวายพระพุทธองค์คขลับด้วยดุจณีภาพคือนิ่งเป็ว่ารับแล้วจากนั้นนายอนาถามริกาสีทีก็เลยขายของเซตเรียบร้อยแล้วก็เลยกลับมาบ้านกลับมากรุงจวบที พ่อกลับมาลเลยก็หาทีทําเลมองไดเนาะเหมาะที่จะสั่งวัดปลาวัดปลาเนี่ยที่ถวายพระพุทธเจ้ามองไปมองมาหาไปหามากคนไปคนมาในกุ้งสวัสดีไปเห็นทีของนายเชิดนายเชิดเนี่ยเป็นคนตระกูลเกา่าตระกูลเจ้าเป็นตระกูลเจ้าคือเป็นพระองค์เจ้าหรือเป็นหมอมเจ้าลักษณะ บัตนี่เพิ่นสิขายทีเพิ่นก็บเปขายดอกเพิ่นก็ะ่ป๋ายขายดอกทีนะอน้าถามไม่ดีกาเจทีก็เลยไปผมสิขายว่าเจ้าเชษดว่าสั่นน่งทีมองนี่เจ้าเชษก็คิดว่า่ขายเยอะขั้นไดเหรียญเลี่ยงกันเหรียญเลี่ยงกันคื อ, อยังไงสมัยก่อนมันมีเป็นเหรียญเหรียญเด้เลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงี่ยงเลี่ยงแเติดกันเลยเอาหน่ยอย ได้ทันขนาดไดก็เอาขนาดนั่นแล้วสันเดย์แเขาก็บอกขึว่าอนาถามิตีเกาเศรษฐีสิรุ่ยขนาดนั่นวนลไปทับว่าวแบบนั่นแหะเออเอาตกลงอนาถามิตรเกาเศรษีก็เลยเลี่ยงบาทสี่อามองได้ก้อนก็เอาเหรียญบาทไปตั้งให้คนมาเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงแล้วก็ขีดเส็นไว้เอาเส็นนั่นขีดไว้เลยเอาลืกเก็บแล้วก็เลี่ยงต่อไปอีก ไปแล้วก็ลือ้เอเก็บเลี้ยงต่อไปอีกบ้านนี่มันเกือบเกือบมดฟอร์ไปยังหน้าประตูยังใกล้กลหน้าประตูนายเชิดก็บอกว่าเออมองนี้บอกขายแล้วนะบอกขายอต้องเลี้ยงอะไรนะเอาผมสิทวายมองนี้แต่ผมสิทวายแต่ขอให้ตั้งซื้อผมได้ผมขอซื้อมาอันนถามบุตริกรเศรษฐีเนี่ยพรมิจัดมิจัดอยากได้บุญเพิ่นเนี่นายเชิดไปอยากได้ซื้อคนน่ะ เอาเอาซื้อก็บะ บ, บ, บ, บอกว่าไปยังผมก็จะให้เพราะเป็นที่ดินเขาได้ยันยัานในเศษกราบข่ำไปออยัานในเศษกราบข่ํำเพิ่งเลยเอ า, เอาอก็เลยมุเว้นมองนาประตูน่ไปมองนาประตูของเขาวัดเนี่ยมองหันละเป็นของในเชเดด้วยแต่ซื้อขอซื้อพร้อไมไว้ได้ตั้งชื่อว่าวัดป่าเชิดตะวันมหาวิหารอา นี่แหละความเป็นมาของวัดป่าเศษตะวันนะลูกหลานนะ เ, เพอซื้อในเศษพันธ์ออกไปซื้อเจ้าเศษแล้วก็จํานวนอื่นอ่ะนะอณาถาบิณฑกาเศรษฐี่เอาเหรียญเลี่ยงเหรียญเหรียญเลี่ยงเหรียญเหรียญเแปลว่าเป็นพืชไปมดจนมัดเล่ยพันธ์ออไปที่ดินของในเชตนะก็ได้ตั้งวัดขืนมาเนี่ยพระสงฆ์เป็นหลอยเป็นพันที่มาอยู่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหาร นี่แหละอันนี้ก็คือ ส, สมัยนั้นเป็นสื่อที่ดินถวายวัดวัดป่าเฉดตะวันมหาวิหารในข้างพระพุทธเจ้าของเฮาส่วนวัดป่าเวรวันกาลัานดาพุตธะเนี่เบ็ดัดป่าเวรวันของพระเจ้าพิมพ์พิสารยุกุงราชสืบเป็นวัดแรกอันนั้นพระพุทธเจ้าได้ตัดสู่เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นกเทศปโปรด พระสงฆ์ทางหลายพระเจ้าพิมพิสารเห็นว่าพระสงฆ์หลายก็เลยกลาวพระราชนาไปพักอยู่วัดวัดป่าเวลุวันวัดป่าเวละวันวเวลุวันก็คือปา่าไมพายเป็นปาาน่าไมพายกัลลันดะปุตตะก็คือมีกระแตเป็นที่ให้ยเงือกกระแตของพระเจ้าเ่นดินพิมพ์พิสารเป็นอย่างเพือ่อจให้ยเงือกกระแตหมื่นหนึ่งพันสเสด็จเข้าไป ผักเนี่ในสวนในอุทยานเพิ่นก็นไปนอนอยู่ในพระลานหินไอ้พวกขนมหน้ารี่ทั้งหลายเพื่อนไปหอดลเลยเพิ่นต่างคนต่างไปเที่ยวไปเที่ยวมั่นก็ปล่อยให้พระราชานอ่งอยู่ผู้เดียวสงสัยจะกินเหล่าก็งพวกหัวนะเราเนาะบทเพิ่นก็บวอมองเลยเอาไปมานอนงรับเพื่อนพอนั่งรับบานนี่งูเห่ามันเลื่อยมากเลยงูเห่ามันหลายอินเดียเลื่อยมากกรแตก็แตท่วงบ้านนี่ แหมกระแต่อยู่ในปลายตีนมันห้องชิชิจิจิชิจิชิิพระเจ้าเป็นดีกรตื่นพอได้ยินเสียงกระแต่ห้องพระตื่นคือมามาเห็นงูเห่ากำลังเลื่อยของมากระทัวกระโดดลุยละเพิ่นก็ได้อม่ยานงูเห่ากัดเนียเพิ่นก็้โตตโสันเนีขันหากว่ากระแต่บอทวงเนงูเห่ากัดเห่าแท้ๆสันน่เพิพระเจ้าพิมพิสารจากนั้นมาเพิ่นก็เลย ตั้งห้านให้กระแตบ้านนี่ให้ใครให้เยื้อกระแตพระราชท่านพระราชทรัพย์ให้กระแตทกวันบริขาด อ, อันนี้แหละคือว่าวัดป่าเวลุวันคือป่าไม้ไผ่กัลลัณฑาพุทธคือเป็นสถานที่พระเจ้าพิมพ์พิสารพระเจ้าแผ่นดินพระราชท่านเยื้อให้กระแตเพราะกระแตนเป็นผู่มีบุญคุ้นกับพระเจ้าแผ่นดินก็ต่อพระเจ้าพิมพ์พิสารบ่ตายเพราะงูบกงูเห่าบกัดกระเพราะกระแตท่วง กระแต่ท่วงก้อนพันก็ได้ตื่นขึ้นมาเห็นมูเหากําลังไลเรื่อยเข้ามาอันนี้แหะคือความเป็นมากของวัดปาเวรวันณพระพุทธองค์ก็จะรับประทับอยู่ในวัดปาเวรวัณนึ่ก็นหลายปีขึ้นกันโปรดพี่น้องไปใช้ชลจัทถาญาติโยมอยู่ในหันนี่แหละคือวัดใหญ่ของในข้างพุทธการก็คือวัดปาเวรวัณวัดหนึ่งและก็วัดกุงสวัตถีในวัดหนึ่งวัดปาเชิตะวันมหาวิหารนี่ ว่าพระพุทธเจ้าจะเดชอยู่วัดป่าเชตวันมหาวิหารมากกว่าเพราะนั้นพวกเฮาลูกหลานทั้งหลายแลว้วคณะชัติเนี่ยโยมมี่กุนชุระพรอมเตียแม่บริษัทของเฮาได้มา่ร่วมกันทําบุญในมือเนี่ก็เป็นการทําตามแนวแถวที่พระพุทธศาสนาหรือพระธรรมคํ า, าสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสื่อที่ดินถวายวัดไหวเนีพระพุทธศาสนาก็เป็นบุญเป็นกุศล เพนั้นคณะสงฆ์ลงมีหลวงพ่อเป็นประธานกับขอบคุนอนุโมทนาพอสื่อแล้วมันโมแมนของหลวงพอ่อที่ใช่ปคือว่าสื่อที่ดีในหลวงพ่ออินจะไปขึ้นจังสันสื่อเข้าไปก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับพระพุทธศาสนานานเท่านา้นไม่มีโปรได้สื่อพุทธีโรดขายแล้วถึงจะอยู่โมแมนอยู่สื่อให้วัดปลาหน้าคําหน่อยก็เถอะแต่ก็ยุบเป็นสาขา ของวัดปานาคำหน่อยเป็นสมบัติของวัดปานะคำหน่อยเป็นจมบัติของพ ร, ร, ร, ระพุทธศาสนาหลวงพ่อตายไปแล้วที่ดินแปลงนี้มันก็ยังเป็นครูเป็นที่อยู่ของสัทธาญาตโนมต่อไปพ้ายภาคหนาน้านเท่าน่านนี่แหละอันนี้ก็คือสื่อที่ดินสื่อที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนากันปูได้บกเคยสื่อสื่อนะกันปูได้บกเคยทําบุญทําไว้นะเกิดพบหนาส่านนาทิหาที่ดิน เด้ง่ายฮัลโหเคยทำที่ดินไวนะ้เลยกสอสรหันกสอสรนี่หาสีสน่นหาสีเหยียบลงไปกับพไดพนเพราะบุกเคยทําบุญทําท่านกับที่ดินฮ ะ, ะ, ะนี่พอหนั้นพวกเขาควรทําบุญทําท่านกับที่ดินไว้นะถึงจะได้ยืนก็นยังดีอยูเอ่เลอเดี๋ยวตีตีกวัวไปลอยแพ้ไปนั่งเฮือกคนออกไปเดี๋ยวกัวไปนั่งเฮือกจะได้นำจังไนก็ได้เยียบเพนดินก็นยังดีอยู่คนออกไปถึงจะมากจะน้อยแต่ซอยๆกันทํา ไหวไดพระพุทธศ า, าสนานะอันนี้ถึงจะได้ตามจะให้เดือดร้อนเจ้าของในการทําบุญทําท่า น, นแต่ว่าต้องทํำหลวงพอ่อไปสอนในกีทีเ้ยหลวงพ่อก็อไปใส่หลวงพ่อก็อทําเลยเห็นบ่อน่นบ้านบ้งบงหลงเรียนบ้านบ้องบองหลวงพ่อยังเป็นหนีอยู่เขาสีสางหลงเรียนชั่นซองถามพอออสุจิตนี่ก็ได้แสนแสนสองหมืนกว่าบาทหลวงพ่อก็ไห้เลย วัดว่าศาสนามองหันโมนีต้องพอก็แจกแจงไปหาไปเรลยแบงไปเลยโไนีคิดว่าสิเก็บสิกอบสิกรรมไหวมองได้จะเกิดประโยชน์หลวงพอก็หาไปการมองได้บ่เกิดประโยชโน์อกกชขอมาหลวงพอก็เบิ่งเบิ่โอ้ยมันเวอซืรอซิซิเอาไปใส่ซๆๆิซิบ่เกิดประโยชน์มากหลวงพอก็บบ่ให้กันมองได้จะเกิดประโยชน์หลวงพอก็เบิ่งเอือจะเกิดประโยชน์ให้อย่างที่วัดหลวงพ่อว่าแผ่นดินมองนีแหละ ที่หลวงพ่อว่าอยู่เดียวเนี่ยเกิดประโยชน์ต่อไปไพ่ภาคนาถึงจะแปดล้านหลวงพ่อก็เออให้ย่อมเสียสละย่อมจัดการนั้นเป็นเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาอันนี้ทเทศจอย่างก็ต้องได้คิด ก, ก่อนขึ้นกันได้คณะสัทายาเาี่โน้มลูกหลานว่ามันจะคือใดคือเท็จคือใดคือเท็จคือใดคือเท็จมันบอมันบ่เกิดประโยชน์ขันมันเกิดประโยชน์อ้าวยากก็ซอยกันเหตุ อันนี้ก็คือการทําบุญเกี่ยวกับทีดินนะแล้วก็เมื่อนี่เป็นวันที่สามสิบ อ, อื่นสามสิบเอ็ดมือหือเป็นวันที่หนึ่งะวันที่หนึ่งปีใหม่ลูกหลานทั้งหลายนะีที่นั่งข่างๆลงพอเนะี่ยข้เจ้าพวกลูกหลานบริษัททำงานบริษัท U K C Furniture หนึ่งเก้าเก้าหจจำกัดลูกหลานทุกคนนะ อย่าไปกินเหล่าหลวงพอบอกกังสั้นพวกเข้าทั้งหลายแต่งดได้ยาไปกินเหล่างดซะปีนี้หรือว่าปีปีต่อไปขึ้นกันกินเหล่ามันดีอย่างพวกเราต้องบวกลบคูณหารอย่างที่หลวงพ่อเดีวยวเฮ็ดอยังให้มันเกิดประโยชน์อย่างที่วาน่ะขั้นบอกเกิดประโยชน์ยาเฮ็ดยาคิดยาผูดยาทำสิ่งที่มันบอกเกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์อย่างกินเหล่ากินเหล่าขอบไปแล้วเป็นบ้านะ พอเป็นบ้าดมันเกิดประโยชน์บอกว่าเนีอยกินบาดเนวบอกบอกก็บอกเนีบอกเก่งก็เก่งแนี่ยบอกเคยดาคนกระดาพิดพ่อพิษแม่พิษกับปลูกกับเม่อีกบูจักกาละเทศสาอีกเพราะคนเป็นบาดเยมันขาดสติเลยคนขาดสตินี่เป็นบาดมันดีบอกเอี่ขั้นดีอิรีนะกินมะเขือเกือบาดเนี่ยกินเข้าไปแล้เป็นบาดยังมัดปีมัดฉาดเบี่ยบวหายจากเทือนกินเหล่ามันยังเศร้าได้ขั้นเยาว่าเป็นบาดมันดี พรมันมันบอดีมันบอดีที่เฮติยังเป็นเป็นคนมีสติสมบูรณ์นี่สิมันสีบอดีกว่าบ่ขั้นกินเหล้าเข้าไปเสพขั้น่ายาฟินเฮโรอินยาบ้ายามาเข้าไปแล้วมันดีบอกขั้นมันบอดีที่เฮติยังให้ถามเจ้าของจังสันขั้นมันบอดียาเฮต์ยาทำยาผูดยาคิดอีกต่างหากที่มันบอดี พอนันปีใหม่เนี่ยหลวงพ่อขอบอกกาวลูกหลานทุกขุกทุกคนทำมาอย่างให้นกันมันเกิดประโยชน์เนี่ยมันเพาะเนี่ยนเพรเป็นประโยชน์ยาเฮ็ดกินเหล่าเข้าไปแล้วกันเนะ่ะขับรถเข้าไปพุชักหนาจักลังเฉียวหนาชนลังแต่และปีนี่ตายเท่าไรวงเนี่ยเป็นละหลายร้อยคนพอกงานปีใหม่เนี่ยพอนั้นงานปีใหม่นี่เข้าหว้วนควนจะเฮ็ดจังไได้ปีใหม่เน่ยขวรจะดูแลพัฒนาครอบครัวเจ้าข อ, อ, อ, ของ เบิงลูกหลานเจ้าของเบิงหมองได้ที่มันบริบบอดีจากนั้นกับภาพลูกหลานไปกาบพ่อแม่สิ่งได้ที่ข้นจะห้อนุเคราะห์พ่อแม่เสือพานาแพ้ยาแ ก, โก่โรคไข้ไข้เย็บหรือผ้าพ่อตู่แม่ตาพา่อเถาพา่อเถาแม่เถาพ่อปูแม่ยยาผ้าไปหาหมอเพิ่นเป็นยังไงเข่าเพิ่นเป็นยังไงตาเพิ่นเป็นยังไงถึงจะบวชเป็นวันปิดก็เถอะ อวันต่อไปไพ่ภาคนาก็ได้มาพบกันในพีในนองเออเป็นในพอแม่ของเฮาต่างคนต่างไปทําการทํางานเ อ, อเป็นในแม่ตาเป็นยังไดงหูเป็นยังไงสุขภาพเป็นยังไดงเสือผ่านาแพ้เป็นยังไงลูกเต้าทั้งหลายกันนาจากเขาไปพ่อมหนาพ่อมตากันถามจากนั้นก็ล่งขันกันลูกหลายคนผู้พี่เท่าไรผู้น้องเทธอไรผู้ได้มี มากกว่ากันก็ร่องขันหมากผููไดไมีหน่อยก็ลงขันหน่อยโมแมนติที่อยข่อยบอวกวุ้ยคือเจ้าข่อยบวไฮหรอกนะก็บมเมนตเด้บัตราร่างกายเจ้าของตั้งแต่หัวจดหอดตีนมันมาจากใสเนียนะมาจากพอจากแม่ถึงจะจนปนเอกหาบาดชิ บ, บาทเฉลิงหนึ่งหารชิบต่างชิบอไะไรบ่เออต้องหาอันนั้นคือน้ำใจโมแมนต์ที่ปฏิเสธอันนี้ก็คื อ, อทเท่าทดแทนประคุณของพอแม่ บาดเนก็มาปรึกษากันว่าเออเอาพ่อแม่ไปเห็ดตาไหมตาเพลินมั่วหูเพลินตึงเอีหรือคือเสื้อผาของเพลินเนี่ยไผ่จีบดูดีแรกนะยคาอาหารของเพลินแต่ละเดือนเนี่ยเพลินกินจังไดอันนี้คือลูกทุกคนต้องมีความรับผิด ช, ชอบคนว่าพวกเขากินเหล่ารูบาดเนี่ยออกินเหล่าปอแปะปอแป้ปแปนนนเนี่ยพี่จีคืดใดบ่กคืดแนวหนึงสินี่จีคืดดูแลพ่อแม่เจ้าของใดบอกมันคินปดปอใด เพอได้เพราะมันขาดสติมันเมานี่แหละพวกเข้าท้งหลายลูกหลานทั้งหลายทุกคนให้มีสติสมบุรณในปีใหม่และสงกรานต์วรจะเข้าไปหาพอ่อหาแม่พ่อแม่เลี้ยงเข้ามาแล้วนะแมนบอกพ่อแม่เลี้ยงเข้ามาแล้วต้องเลี้ยงเพิ่นตอบต้องทำกิจธุระของท่านดำรงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์หมอละดก เมื่อท่านร่วงรับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านคณะว่าพ่อแม่ตายแล้วพวกเขาก็ร่วมกันกับไปบานเออล่งขันกันคนละหาคนละซิปสื่อผ้าหรือว่าสื่อไอ้อย่างไปใช้บาททาบุญอุทิศส่วนกุศลให้พอ่อให้แม่เนอพวกเขานเอา้าอันนี้ก็คือร่างกายของเฮ้าเนี่ยตั้งแต่ศีรษะจนถึงฟาเทายางทีวาน ยังเป็นสมบัติของเพลินอยู่เข้าก็ควรจะทดแท่นบุญคุณของเพิินคือกันเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลเออเวลาใส่บาตรอย่างมาเมนีแหละทําบุญเมนีเออด้วยบุญด้วยกุศลที่ผูเขาแต่ทําในเมนีได้ซื่อที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาบุญกุศลที่เกิดจากการทําบุญบำบัุหงพระพุทธศาสนาขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลนุน ขอให้หวงวิญญาณของพอ่อของแม่ที่หลวงรับไปแล้วให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากปู่ข่าเดอ้อข้าวนี่ปู่ข่าจะทำบุญดวงวิญยาณพอ่อแม่ตกทุกข์แต่ยนี่ยขอขอให้ผลจากทุกขันมีความสุขอยู่แล้วขอขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาทําตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกแอนนันวาเฮ้าเป็นลูกของพอ่อของแม่ กินเหล่าเม้ายาเห ล, ล่นการพน่งเหล่นการพนันเ อ, อสั ม, มาแลเแท่เมาเออไปทัวเน่ายมาเลยเข้าจิตลับขอหลับมอดระกจากพ่อแม่เนี่ยเพิ่นก็บ้าหิ้ขี้กันเน่โอ้ยขา้ามเนพ่อแม่หาเงินมาอยากหาโัวิีมาตัง้งรักตั้งล่ำในขนาเนี่ยเออบดยุยดบอดยอนเออแทบล่มแทบตาย ชัวจะได้ที่ดินมากชัวจะได้มรดกมากี่ยกูเสียมามอภัยลูกของกูนี่กินเหล้าเมายาติดยาบ่งยามาจริงจีิมันก็ออกไปขายมดแล้วอืกูหบาบ่ได้แล้วนะเพิรนก็ต้องได้คิดคือกันบ่เหม็นขามาได้ไง่ายๆได้มรดกนี่แหละบางคนพ่อเป็นลูกขึืนเพิรนขึ้นมาแล้วก็ขอแบงนั่นบอกว่าขอแบงนี่มาหาตัวเองหนิ กินยาบ้ากินยามากกินเหล่าเมายาไปเด่นการพระน่งพระนัานมาแลแ้แท้แทดจะให้พอบมอบเพลนให้เพลนมอบสมบัติให้แกเฮ้าใดจังใดเสิ่งมูนี่มันต้องได้คิดมอ่งจกขอ ง, ของขึ้นกันเด้ลงพอ ว, าว่านะะจังหวัดประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกอันนี้คือท่ามข้าสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไว้แล้วถึงสองพันกว่าปีถ้าเฮ้ามาพิจารณาเป็นขอกข่เบิง่งเลยมันแมนความเพลินเลย แมนพระท่านแมนแมนต่ำพระธรรมข้าสอนของพระพุทธเจ้าแท้ๆนะนี่แหละให้ลูกหลานทุกหูทุกคนให้มองจกของที่หลวงพอบอกที่พงพอเว้าหลวงพ่อเป็นพระเดยเอเป็นพระในพระพุทธศาสนาแนวใดจะเกิดประโยชน์ต่อลูกต่อหลานลูกหลานบุนเคยได้ยินก็จะได้ยินเออยยินแล้วไปเหตุอย่างไรฟังไวเพื่อการศึกษาแล้วก็นํามาคิดอีกว่าเออหลวงพ่อเนี่เพิ่นว้าแมนเนียเข้าก็มาปรัปปุ่งกายว่าใจาของเข้า เมื่อเข้ามาปรปับปรุงกายว่าจาใจของเขา้าเขาก็เป็นคนดีอยู่ในสีไสก็มีแต่ความสุขนะอย่างหลวงพอ่อตะกอนก็เป็นเด็กหน่อยอยู่คนอยู่ในปา่าหลงพงไพ่จากนั้นก็มาศึกษานําหลวงปูหลวงตาหลวงปูหลวงตาก็สอนอย่างที่หลวงพ่อสอนเนี่ยใอย้เห็ดความชัวเนให้เป็นเห็ดความดีเนะให้ไหวพระสวดมนต์นะให้นั่งภาวนาเนะี่ให้เป็นบุตรที่ดีให้เป็นลูกที่ดีของพอ่อของแม่เนะี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ดีของคู่บาอาจารย์เนะี่ อุปชาอาจารย์เพืก่กนสอนนี่แหละลงพอก็ได้รับอิทธิพลได้รับแนวความคิดจากคูบาอาจารย์ก็มาบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนลูกหลานอีกต่อไปที่ลงพอบนนี่แมนบอ อ, อผู้ฟังทมผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วบอกเขาใจสัตก็จะเข้าใจสิ่งนั้นซัดขึ้นแล้วก็วัด เมื่อฟังแล้วก็บันเท่าความสงสัยเสียใดเมื่อฟังแล้วก็ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ในเมื่อฟังลักเหตุผลจิตใจของข้ากว่าได้รับความพองใสเมื่อได้รับฟังเหตุผลนี่อันนี้ะคืออาศัยการได้ยินได้ฟังสุตตะมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้่ควนทบท้วน คิ่อย่านี้ในฝั่งไหนตรงบออินในบ่อเนี่ยเอาลักถ้ำข้ามสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกให้เข้านี่แมนบอ่อเคล็ดปงโนจิงบอ่อเนี่ยถ้าทว่าเคลดมันจริงเออเข้ากับข้นจะปะปุงเข้ากับข้นจะกินเหล่าเขาจะบก้นกินยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงถ้ากินเข้าไปแหละมันมีแต่เสียหายขาดจิตตีแล้วอมีแต่ความหล่มจมจิบหายมบอมีผู้ใดบอมีพีมีน้อง คานว่าผูดาดติดจังสันแล้วเฮาจะไปเฮ็ดที่ยัง้งนี่แหละอันนี้ก็คือให้ลูกหลานทั้งหลายมีเปลตอในตัวของเฮาจากนั้นก็ยาลืมทีไห เ, เรื่องศีเลเรือธรรมที่หลวงพ่อเดี๋วว่าว่านะบาปบุญคุณโทษมีตายแล้วบ่ศูญตายแล้วเกิดหลวงพอบอกว่าเนะี่ยตายแล้วเกิดก็คื อ, อยัง้งก็คือพระพุทธเจ้า พอแม่คู่บายอาจารย์ลุงปู่ลุงตาเนี่ยเพิ่นไปอยู่ในป่าดงพงไพ่เพิ่นไปนั่งภาว น, าน่าพ่อจิตใจของเพิ่นสงบนั่นแหละเพิ่นก็หงได้งิดเลยวะร่างกายกับจิตใจเนี่คนละอันกันร่างกายเนี่ตายแตกแน่นอนตายแน่นอนเอาไปเผาไฟแน่นอนเอาไปฝังแน่นอนแต่วิญญาณคื้ใจนะคือตัวผู้รู้ตัวนึกคิดตัวนั้นแหละบอ่อตายเพิ่นวะเนี่ยนะตัวนั้นไปหาเกิดมองอื่นอีกตัวนั้นแหะเป็นผูภาพไปเกิดตัวนั้นแหะเป็น มองรับบุญรับบาปคันผัวได้เฮ็ดบาปไว้กันแลนเข้าไปหามงคลไปหาใจเน่ยใจเป็นผู้รับไว้เพราะใจเป็นขึ้นจะก่อนยังขาขึ้นจะก่อนยังคอยเฮ็ดความซัวขึ้นจะก่อนยังค่อยเฮ็ดความดีในเมื่อความคึ้นจะก่อนยังค่อยเฮ็ดเนี่ยเมื่อเฮ็ดความซัวความซัวกันแลนเขามากยึดในฝั่งโยยึในใจคันคึ้นในความดีจะก่อนค่อยเฮ็ดเนี่ยบุญกุศลกับเขามาอยู่ในใจของพวกเฮ้าขึ้นกันเพราะนั้นใจของเฮ้าเนี่ยเป็น เออเป็นตู้เซฟนะพเนรเป็นตู้เซฟเก็บปุบ๋นเก็บบาปอยู่น้ากันฮะเออเป็นตู้เซฟเก็บปุบ๋นเก็บบาปใจของเฮ้าเนี่ยขันว่าตู้เซฟเฮ้มันเก็บสิ่งปฏิกูลออกไปสิ่งที่บาปมันก็ไหลไปทางบาปขันว่าเก็บสิ่งที่ดีเอ้มันก็นไปในทางดีไปทางมีคุณค่าฮนี่แหละให้ลูกหลานทั้งหลายทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ หลักของพุทธศาสนาแหละพอว่าตายแล้วบวชสูตรตายแล้วเกิดอีกขันท้าพวกเขาอยากจะฮู้อยากจะฮู้จักจะพิสูจนะ์ให้นั่งภาวนานั่งภาวนาขาขวาทับขาซ้ายอย่างพระพุทธรูปนะนั่งพุทธโธพุทธโธพุทธโธในใจใจร่วมสงบปุ๊บลงไปฮนะู้ได้เลยแล้วบาตเนะี่ยร่างกายกับใจเป็นคนระยางกันเลยร่างกายอันหนึง่งคื อ, ค อ, คอจุกปกหนึ่งคือกันกับรถหนึ่งจ่ะะ จิตใจก็คือกันกับค้นขับรถถึงขนานดะคนขับรถกับรถเนี่ยมันคนละแนวกันเลยคนละอ่านกันคนบวมเป็นคนคนบวมเป็นลดรถบวมเป็นคน้นอันนี้คือกัน ก, น, นกายบวมเป็นใจใจบวมเป็นกายก็ล่านกันขั้นเท่าจิตสงบแล้วเท่าจะเห็นได้ชัดถึงขนาดละขั้นจิตบวสงบในพวกหูได้พราะนั้นพ่อแม่กูบายจานลงปูลงตาของพวกเฮ้าเปิดเยาวให้พ่วันหน้าเนะ้อลูกหลานเนะ้อทําจิตให้สงบเนะ้อ อบาป บ, บุญคุณโทษมีได้คุณพอ่อคุณแม่มีคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้ใดทําดีก็ได้ดีผู้ใดเฮ็ดชั่วก็ได้ชั่วอคันผู้ใดทำคุณงามความดีสําระใจได้กับเขาสู้ที่ผ่านคันผู้ใดเฮ็ดชั่วแหละกรรมส่วนมันติดตามสนองได้คันผู้ใดเฮ็ดดีกับกรรมดีกรรมดีแต่ตามสนองขึ้นกัน่ะสมมุติว่าเมื่อนี่แหละเข้าไปตีหัวเขา่ะ ไปป่นเขาไปจี้เขาไปคาเขาเนี่มือนี่ใบนในกำซัวหดมือเน็บพ่อเต็มเต็มมือลงมือเห็ดลงไปกำซัวกับ น, น้ำเล้วบาดเนี้ยเม็ไผ่เป็นผู้ขาเอาไปมาเจ้าของกันเขาหูจัก่นแล่นหัวสุกแลนหัวสุน่นระบาดเฮ็ดยังไงเพราะกซัวการังเริ่มอมจะหายผลเ น, น, นีน้าตามเลอน้าตามไหลออกไปผลในซัว ก, ก็จับใดอลีเนะี่ยพอจับก็ใดมาเนี่เนยเฮ็ดจังไงบาด เขาก็ขังคุกเพอเพอก็โทษประหารอีกต่างหากแพราะอะไรกรรมสัวมันให้ผลกรรมชั่วจะทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่ว เ, เมื่อทําไปแล้วมันจะให้ผลเมื่อภายหลังกรรมดีขึ้นกันถ้าห่อทําไปแล้วกรรมดีจะทรงผลมีแต่ความสุขความจเจริญไปหันกับถ้ำดีไปหนี่กับถ้ำดีอย่างพวกเฮ้ามา้าวัดม้าว่างทํนะาคุณง่ามความดีใจของเฮาก็สบายจากนั้นก็จิตใจของเฮ้าก็ คือคือมาอย่มใดกับใจสบายพอได้ทำบุญอะไร้างบุญสางกุศลเขาสู้จิตเขาสู้ใจของพวกเฮ้ามันคอยให้ลูกหลานทุกขูทุกคนเนะอะดู่ใสให้เป็นคนดีสรุปแล้วนะให้ประกอบคุณงามความดีเนี่ยมันในไรที่มันสัวอย่าเหตเหตแต่สิ่งที่มันดีตายแล้วบวชศูญย์ตายแล้วเกิดอีกบาป บ, บุญคุณโทษมี่ใหญ่มีทีรับทีแจง้งความสัวอย่าไปอย่าไปหาเหตเหตในไผ่โบหัว จะของหูอยู่คือกันกับเพ้าจับไฟปิดประตูห้องดีๆเห็นบ่อเห้มีไผ่เห็นจับผู้เดียวจับไฟผู้เดียวมันหอนบ่ก็หอนอันนี้คือกันะความความความั่วนจับอยู่ที่แจ้งก็หอนจับในที่ที่รับก็หอมจับในห้องก็หอนจับอยู่ในไสก็หอนมัดจับไฟมันเป็นไฟอันนี้คือกันความส่วนคือความถุกเห็ดอยู่ใสก็ส่วนมดนั่นเพราะนั้นจะเห็ดความส่วนเห็ดแต่ความดีนะ ตอนนี้ไปรับพร น, นะตอนนี้นะอนุโมทนาให้พรเมื่อสัตว์จัหารเรียบร้อยเลยผาป่ายังค่อยมาว่ากันนะวันนี้เนะยังค่อยมาถวายขืนมาถวายผาป่าอีกในช่วงนี้ตรงนี้รับพรถวายอาหารรับพรซะก่อนพอรับพรเสร็จเรียบร้อยเลยยังคอยขึ้นมาท่านอโหงอาหารตามอัตรยาใส่อิ่มซะก่อนเนะี่ยยังคอยว่ากันแนวะอื่นต่อไปนะ